Uh, ยกมือขึ้นใสหัวถอนสติออกมาฟังใน้ทรมแล้วก็ต้องฟังได้เบื้องแล้วก็ต้องฟังเป็นพรฟังก็ที่ว่าเข้าใจอยากให้เข้าใจทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดดช่ฟั ง, ฟงบ่ามันโปรดในเสื้อ ว่ามันเ้าให้เหตุน้าเบาให้ฟังเพราะว่าพระพุทธเจ้าผลให้เสียพระไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ให้เชื่อหนังสือตำราไม่ให้เชื่ อ, อ, ไ, อได้ยินแต่ข่าวเล่าลือมาไม่ให้เชื่อที่เขาพาทำมาให้เชื่อนังรับบัญให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อเหตุผลได้ใช้ศีลด้วยหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นกบฏฟาสวดมนต์ใช้ได้ไสายศีลดอกพมันยนนง คนเราชอบยุ่งเดี๋ยวก็มวนไปมวนมามวนไ ป, ไปนวดงวัฒน์เที่ยวทั้งเบิรงหึงหลายมันสิคำเมา้าตะพัวปกว่ามันสิสาคำท่างตีว่าออกตีแทนทีจะไปถึงใสแล้วฆ่ามวนไายสายสิน on, ยูหันละกันได้สายสินสึกสก็จะได้สายสินครึ่งล้วก็จะไปพระสวดเี่น้องละ่ะ เขาวชบริธมบุญก็ ún, เลยหลงเลยเสียเขาพาเห็นหนังกับเสียเสเขาพาเห็นมาพาจุดถูกเที่ยนกับเสียเสียพาตรวจน้ำกับเสเสียมเทศบาปคือบเห็นครึ่งได้น่ะเทศบาปคือบริจุดถูกจุดเที่ยงน่ะมาเทศบาปคือบริตรวจน้ำคือได้ บ, ดบาปเพราะว่า เขาวัดพระําบุญก็เลยนบ่มีความโง้มีพรรคันทําบาร์เป็นเพื่อนพวกหนึ่งคุ้ยกันเจ้า บ, บุนพระพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนสัตว์โลกแต่หนึ่งเป็นมาเสือพ ร, ระพุทธเจ้าไปก็เพาะห้องพระถ้บุญเลยนบ่มีสมาธิเลยนบ่มีปัญญาบ่มีปัญญาบ่มีความรอบรู้เหตุผลถูกต้องกับสูกใจเป็นนางไดเหตุผลทําทานกับเหตุผลทําบุญเป็นนางได ทำบุ๋นว่ได้ซื้อทำปุ๋อาหารใจไดซื้อว่าเมื่อกี้นี่ร่มันว่าวล่มไปใส่เราตายอย่งว่าเบิ้อง่ะไรอ๋อผู้ใดว่าเคยเบื้องแน่ตั้งแต่เกิดมาว่าเบื้งล่มส่วนมากก็ว่เบื้องนี้เบิ้งแต่ร่างกายนด้เก็ถามออกตนเน่น้องมือหนึ่งว่าบาปนั้นวัดนี้ก็ได้หรอหนุ่มกูเคยบอกว่าก้อนจะไปอังกิษ ้เบืองล้มหายใจถุกมือถุกมือมือละหนึ่งนาทีเห็ุไดวะกูได้เหตุใดยกมือขึ้นโ่งสีข้นสัมข้นเต็มศาลานเบื้องแต่งกายวก็นันเาเทียบไปมาเบื้องกตาสองหน่วยหน่วยหนึ่งใส่แนวแต่งกายหน่วยหนึ่งใส่แนวแต่งใจอันได้หลายก็กัดิเบงดูคิดเบืองในใจเฮา่ันนี้ ถ้าต้เกิดมาเท่ามือ น, นี่แต่งใจจักเทียแต่งกายจักเทียเลี้ยงกายจักเทียรักษาราำกายจักเทียเขาโรคบาดหาหมอจักเทียว่าแม่ปู้หญางจะง่ายไปไหนแล้วเอาหยังไปน้าแขนขาไปน้าบ่อผมแต่งดีๆไปน้าบ่อเล็บแต่งดีๆไปน้าบ่คือเผาที่เหมือดแล้วคือสวสดที่นังตันสวสดเพราเห็นนะ่ะ ว่าเป็นตาเนี่ยที่เห็นเด้่ยธรรมะจักสุขคือตาภายในเห็นหนังเห็นสั้งขาหลางกายว่ามันบวเทียงเห็นทั้งขาว่าทังขารหลังกายมันสกรปรกว่าพัฒนวังหันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดกายของเรามีอย่างนี้น่นถ้าเอาธรรมะมาแปะดิเราจะเอาโลกมาแปะไหม เาพระพุทธเจ้าเจ้าสอนทำให้ทำให้ดูให้เห็นให้ดูพระสันมินก็ติดแล้วไปใส่ไปได้เห็นหนังไปได้มันถิ้นนันพระเต็มสาระบ่นี่เต็มบอดบอบ้านนี่มีจฉกหลังค่าก็พอมาทำบุญนี่ะสอนทำบุญพระก็สอนใ้ทำบุญจุดตัจุดแจ่มแต่ว่ายก็ทินตรวจนำย้อม ที่นี่หลวงปู่ยันทอดกระถินสิบกองสิบวัดเพื่อนบอกจะไหนแน่นางเพื่นบอกจะถูกจะทยียนแต่ว่ากระทินตรวดนามใส่หลาทำบุญพระบ่กเคยเห็นบุญตีบุญญาณนี้ปัลโลกรจตมิง่งสิไปสู้หลงหนาบุญเนี้ปัดนว่ามีทาบุญบ่เคยเห็นบุญบ่เคยหูบุญก็ปาบาปโลลอกรัตมิง่งสันตัปาน บาปจพาไปเพะไปสู่โลกหนบาบาพาไปเพได้นี้มันหนักเดยไปแทนละอบายภูมิทั้งสีเปรตจุ ร, รากายทยัศนิยนิชานค้นทุกข์ค้นยากคนไปคนพิ ก, พ ก, การคน้นบาไปบวชนวักคน้นทีเหลาทียาหนักเป็นพุ่มของคนมีจักประเภทเอ๋อไรบ้างแม่เพราะฉะนั้นค้ำของกุญแจไว้ทั้งหลายทำที่เราแต่ถาคตดแ ต, ะตะ่ตรูยากที่ปุถุชนคนหนาจะดูได้จะรู้ได้จะเห็นได้ อ๋อมี่ตะคนวะผู้บกเกยทำบุญตะเคียะถ้เกิดมางี้ไปทองอิติปิโสบอกว่าลหลังสมมาสวดได้หลายอิติปิโส100จบพันจบสวดคาถาเงินล้าน100จบพันจบสวดมุนขามปีขามเดือนเป็นว่าสั่งตีสวดของพระพุทธเจ้าน้องสวดไปเรื่อยจากเลยเ ง, งินล้านเพราะทำงานบึงด้วยจิตใจวะสวดจ๊ เมื er ่อั้งอยกจะทำบุญอยากทำบุญอยากทำบุญบาทำสิได้บพระบ้านเนี่ยมากินข้าวเขเห็นว่าอยากกินข้าวอยากกินขาวเพรากินเทีเที่วล่ะเขาแตอยากกินข้าวปุ่นเห็นเพราะเด่าแซวเงาเงาอยู่ปุ่นเขเห็นว่าปัญนาชาตนาจึงติกินล่ะบัดาทำบุญจนยังตีปัญนาชาตนาปุ่นบัดอ้อพระเจ้าหาสินหาธรรมมาหกปีจังได้ตัตโ ในเสียงในธรรมาสอนสัตว์โลกสอนคนจ佛กว่าสอนทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายุ่นนี้เทวดมนุษย์ชาตินังเทวะมนุษย์ชาตินังเห็นว่าลับเทวดาและมนุษย์คนนี้มาสอนว่ามันสอนแต่เจ้<笑>เอ้า้นี่ยนะตัวตนพุทธเถื่อนพระพุทธเจ้าเสือทําทำคําสอนของพระพุทธเจ้าคือมนุษย์่นนี้เหนือจากคนไปในพุ่มของคนพุ่มของมนุษย์สูงกว่าพุ่มของคนเนี่ ทัในทงโลกเขาว่าปฎิญญานั่นจบปฎิญญาแล้วต้งมีความูลข้มฉลาดอันดูสั้นปหนึ่งปสองปสามปีนี่ก็บบางคนเขียนหนังสือว่ใจเขียนซื่อว่ออกตั้มตัวอันนี้คือทีเป็นปุถุชนสันแล้วจังหวะจว่าทาบุญพระกับ่เคยเห็นบุญจังบสอนทบุญมันไ่ได้ซื้อเหลวงปู่จงังเขียวเขียนยอยากไหนมีสติปัญญาจากห้เขาวัดไปทำบุญมาแล้วคนเเห็นอยาขามานาั่ง สมาตาเวทเนี่ยก็มานั่งอยู่ตามเสาสลาเสาโบสถนี่ก็ได้ตัวการเข้าใจว่าไปวัดทำบุญก็ต้องกับไปหาวัดไปหาสเลกันคุ้ยกันเต้วัดเด้เพรมันบ้านเด้สร้างมาราคาเท่าไดรนี่คิดตรงโลกปุณณวัฒนาว่าบ้านเด้บ้านของหลวงพ่อหนึ่งบ้านของขอพ่อหนึ่งปุณได้ว่าเด้วัดสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อละถอนจิเล็ มันเพื่อสะสมกองกิเลสมันเป็นบาปแต่ทานที่ซักฟอกจิตใจให้ใสสะอาดเพิ่งซักฟอกจิตใจไม่หยังสมาธิเกิดปัญญานั่นเพรมากก็บุมีสมาธิโบจากคาว่าทําบุญทานศีลบุญพระพุทธเจ้าพนจาพ น, าานิตาเจ้าเลือดเราพนวอกขยันโยมเห็ดหยังฆราวาสจะทำธรรมะสำหรับคราวาสคล่องเรื่อนคือทานศีลบุญทานศีลภาวนาภาวนาบุญสมาธิตัวเดียวกัน กันบอกแนวอื่นบกขอเกยต้องบุญนั่งทำบุญนั่งดูบุญนั่งดูสวรรค์สวรรค์นในอกนรกในใจนั่นเป็นบ่ว่าสวรรค์อยู่ฝ่าเดิบ่นว่านรากอยู่ใต้ดินนี่อยู่ใต้หัวใจนี่เดิเห็นนรก่ะลำลวยสวยงามอ๋อเป็นนรกปะกันพัสถาทั้งโลกก็ลำลวย ก, ดกว็ดีตัวยคุณได้ก็อยากลำลวยหามาเท่าไหน น่นแต่เมื่อเล้วก็มาหักแต่งผมแต่งขนแต่งเล็บแต่งฟันแต่งหนังอาไปมากก็โลกมาเร่งหนังหมอพอดีสัลยกรรมพอดีหรือเปล่าไปว่าจะมูกกัดด้ามอเห็ุดังพอดีหรือเป่าก็มากกับผมเป็นไปตัวหมอทะเลาะปากเปิืกผมถอนผมล่นเรือเป่าใส่ยาพอดี ก็เจ้าของแสหาเหมือจักวละ่ะข้ามของในหลวงคนฝากไว้นั้นจงยินดีกับของได้จงพอใจกับของมีจงรู้จักคําว่าเพียงพอหมือจักวรเพียงพอก็เพรว่าเพียงด้วยจงไปหาแตงผมแต่งขนแตงเล็บแต่งฟันขนตาราคาปูกขนตาขนหนึ่งต่อเดราคาแตงเหล็บเหล็บดีดีว่าเอาเอาหนังวุมาแตงใส่บุ๋ยมาเขา บอกกำ ล, ลุก้านรู้ว่าเอาเล็บใส่มาต้อยเขาหล่ะว่าเอาเล็บผีติโอ้ยอ ก, ก, กึ่งตรหลวงปู่สมือเขาเอาพตัดทเค็ดขนตาบ่นบ่ขนตาคนตีบ่นขนตาคนตายตบ่ะหลวงปู่เขาบอกของคนเหรเขาแตงง่ามพอดสมืเอตีผัลูกหลานไปอยู่กิจเขาไปหาเห็ดด้านเสริมสวยอ่ะเมื่อ ก, กี้หลวงปู่เงินแต่บมีผู้ช่างเห็ดหายปาัญหาเลยบอกว่าเปิดโรงเรียนเลยตัวว่นะ ไปในสร้างก็ดีไปปลูกคนตายเขาคนตาเขาอักเสบเขามันดันเขาฟังเขาเรามาหลวงปู่เมตตาให้เนี่ยได้ลอยใสยลูกสลใส่ลานในใจเขาฟังได้หลวงปู่ <c oughs> กันเขาฟังว่าเสียไปเห็นงานดอกเ <c oughs> ขร้านนี่พอดีนั่ น, นเห็นว่าเขาจะโจมตีก็พอดีเขามอวฟงไปไทยแน่ น, นอยเอาเงินไปเขาซ่ามาเถอะเอากรยดิญไป ก็เพราะแตงนั่นแหละนั่นเห็นว่ายุทธ่คัมปูมิแทงแทงของบูรของเนาแทงต่อไหก็เท่าก็แก้ก็เจ็บก็ตายเลี่องต่อไหก็เท่าก็แก้ก็เจ็บก็ตายเขาโรงพยาบาลดีต่อไหก็เท่าก็แก้ก็เจ็บก็ตายหายแล้วก็ขึ้นติตายอยู่กับเขาดีว่ดีก็ไปเกิดอีกแก่อีกเจ็บอีกตายอีกอยากผู้จักเขาบังใจต่อของว่าเกิดมาเพื่อหยังใจทุกดวงประพัดพลังจิตตังจะเกิดมาเป็นขูเป็นคนอยากเกิดเป็นเป็นติดชมนุษย์สัมพันธิลาพติดฉั่งพุทธสมุปาดัง ติดฉังสัตทธ ร, รมะสวนรค์ติดโชมมนุษย์สัพติราโพการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบ ป, ประเสริฐติดฉังพุท ธ, ธสมุปปาดังการได้เกิดมาพบพุทธศาสนาเป็นลาบเป็นประเสริฐติดฉังสัตทธรรมะสวนังการได้ฟังทำคำสั่งสอนของพระเจ้าได้ลาบเป็นประเสริฐย่างอย่างเดียวคือติดท่ำตามบ่อทุกขเจ้าหาสําหรับอาหารใจใสผ้าทอมคําไว้แล้วติดจินหรือปักินรับประทานหรือบ่าถามใจออกเฮ้าบ่ดเขาว่าเจ้าเพเห็นว่า จินายจิกินล่ะใจคือกันบุญคือกันเขาประ h e t เลยบ่หูว่าบุญไปตั้งไหนัน่นเข้าไปมึงรู้จะเห็นสวรรค์กับนรกเมื่อกี้ถึงพระบ่งสวรเดชเกิดเจ่าใสออยากลำ้วยมีบ่เห็นตะล่มเฝแฟดแฟดแฟฟสบายบ่สงบบ่สุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นคําของกบธเจ้า ว่าแม่พาไปแต่แน่ตะ ก, กี้ปุ่นไปทำตะหดหมดแม่ออกตานอ้อนกับแม่ออกพุดดีตัวน้ำไปมุดหลวงปู่บ้านขามเถาเพราะว่าหลวงพ่อเขาไปในป่านี้ดวงกูแล้วเห็ดหน้ำประพูนที่เจ้าว่าศั่นหลวงไปบินบาดบ้านทำตะหดได้บระคามคอเดียวกับพ่อใจแล้ว ม, ทมอทุ่มื้อประศั่นมึงรู้มืออื่อนเนี่เห็ดแต่พระอวน อาหารกายก็สั่นญาติยุงก็สั่นเตรียมตั้งแต่มือไหนอาหารใจก็พวกพักกันเตรียมคืบอบกพักกันเฮ็ดดีอดเว่าะกะถินกะถินโลกาเตรียมไก่กะถิ่นทำ ม, มาเตรียมไก่ระเบียบของพ่อแม่หลวงปู่บนในเฮ็ดเอาทำ ม, มาเตรียมไก่บ่ให้มีมาห่อระโบกบกงานบ่ให้กินเลี่ยงกันบ่ให้กินเหล่ากินยาบ่ให้เอาบังไฟมาจุดน้ำวัดน้ำว่าบ่ให้ฝันแฮะฝอนแอมออมวัดออมว่ามันเป็นบาป สำนักภูตก็มี่สำนักกัฒนาร้ำกับมีกับช่วงอย่างแน่ตั้งขึ้นว่าเราเป็นจังผ้าเห็ดไปตัวแต่ละเอาเหตุผลของผู้เจ้าด้พัฒนาธรรมเท่าภูตกับกวนรักษาไว้ในตีไปหาอนแอฝนแอน้าวัดน้ำว่าตีกองตีกองสีบวชลูกบวชหลานบวบได้มีกองมีกองไม่มีกองเน่าแหบบวบพูนผู้เจ้าเป็นเรากองเน่าใส่แห ที่ขอพรรษาวันทเมื่อกบฏบุหลักปููใหญ่ในท้ำประเทศชาติติมาเป็นประธานแข่งกู่แข่งเทียนเมื่อแนวแข่งไหลก็ลูกโปะไปแข่งกันเมื่อเว้าห้ามนุ่งน้อยหอมน้อยภายในวัดผนวัดพระเขาเหตุเสกัตนธรทำเท่าพูดบันเรื่องทางโลกลงคอวัลลัไกลย ในเรื่องพระพุทธศาสนาจากให้เน้นนักเนวทางของพระพุทธเจ้าพักกันก่อไปแม่นัง่งเบิงล้มหายใจก็ออกค่หนึ่งนาทีตายเปละ่ละก็ดีดีก็ไปหาเนวเปลี่นเนืหัวเนื้ผิดวัฒนธรรมเช่าพูดตัวทีว่ว่าทังตั้นฉันไปเช่าไทยเช่าพูดเช่าไทยเช่าพูดอ่ะว่จักเป็นบาปติดขววัดเห็ุผิดศีลผิดธรรมกับบาปตัวสิยากือบาปเพคือบาปเขาทั้งปนจี้ขัตีดบาปเรื่องศีลเรื่องธรรม บาปละเอียดดิอั่นผิดทวีไน่ผิดละเอียดจังเสียแล้วไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญหลวงพอกันังเพิ่งลมหายใจจะเคลียบไปหาทำบุญวันวิ่นวันบางแห่งกันหลวงปูป่บห้ามบงรูปเหง้นอาหารทจักรล้านบุกอีมาขอจองเห็ดหาความบุญห <c oughs> นั่นหัจใกว่าคนนอ ก, นกนอมากหนุ่ หลงท่านทำบุญทำบุญเนี่ยเด็กพระท่านถวายพระจึงฟากกันแล้วมันไปบอกคนอื่นทรงมาเนี่ยนะเจ้าตัวปัใจพระเจ้าพระสงค์ปฏิมาทำบุญหลายท่านถวายพระไปนี่นั่นเจตนาของเ่อเพื่อเห็นว่าถวายพระเด้แล้กันฟาดไปแล้วบางหมู่บ้านพระท่นบริหารอาหารดอกมีหลงท่านอยู่แต่เอาหลงท่านมากินแต่บ้านนี่ว่เป็นหรอกวิจักบาปอยู่ ฝังในจะน้าออกเขาใจไปฝั่งนอกจะน้าเขาของเขามาวัดทิ่น้าออกไปใส่อ่งเงี้ยบินตาบาดออมบานออมเงี้ยมากองตุ่มกลุ่มเออของคนบาทเหลือบาทก็จเจ็บไปในเด้อแฉกสิมามาดูแฉกสีม้ า, บ, า บ, บินวันบินวันเออเ็นยังไงนางอาหารบอกว่ากางแฉกเหลือคนบาทเศษบาด เวียนบทท่นหงปู่จังวจังดว่นวั่นวุ่นวันรอดเพราะว่าตาไปเงเต็มเอาเต็มเอาไปวัดทาบุญเะว่าไปกระตาเป่าแเมียเต็มไปทาหรือไปเอากระตาเปาแบบเมียกระตาเต็มไปพินโตเปากับเมียป็นโตเต็ม เ่จากเสียสละเห็นแต่กลมนั่นโลภโว่าทำมานั่งประลิพันโทะความโลภเป็นอันตรายแห่งถ้ำทั้งหลายมันมีแต่ความโลกขอบน้าจิตใจที่เห็นถิ่นเห็นถ้ำบอบบางเขามาพรท่านเห็นบุญเห็นบาปแล้วนึอเสียลงครัวก <c ười> ็วได้ยามด้วยผู้ไปวัดก็หาถ้มหาตัลงขั้วก็อดได้ตีกว่ากยริยมจากไปเกาะตะม้วนไหลจากไป ยินดน้ําหลายอยากไปเที่ยวบาหลีแตนะ่ณปัว่าต้องไปแบบถือสิแป ด, <c oughs> ดออนีวนอ่อนรงแนวอยากไปอยากออนลง่ออนลงลอ่อนรงแวก็วไปยังก็ไปเผยแผ่วัฒนธรรมชาวพุทธอ่ะก็ไปเต้นๆไปถแถงบุญไปภาเขาเฮ็ดบุญเนี่ยเขาเฮ็ดบุญดําเห็นดําตัวไปห่อป้านอกเมือ ง, งเป็นไปกระติบเอเฮ็ดไป็นฮัห่างตัด ห่างตาปากตาอท้องไปติว่ตมันมักผนในผ้าด้วยน้ำปากน้ำท้องนด้พู้เจ้าก็าจะได้สินในธรรมว่าขนลอนหนังเหี่ยวเพราะว่าถ้าผู้เจ้าหลวกูกับผ้าเหาค้ยตื้พผู้เจ้าแล้วผ้านางขนลดอนกันแนละ้หนังเหี่ยกันเราบางปีก็จักเมื่อจักวันสันตั้งหันบางปีว่าจะรับไปนอนตัวไปหูไปเห็นคือเทดน้ำผู้เจ้าแล้วมาเห็นมะฮู้แล้วนั่น ฝึกตนได้แล้วจึงฝึกผู้อื่นสอนตนได้แล้วจึงสอนผู้อื่นตัวคาของปุคคเจ้าพระสอนจากของเปสอนผู้อื่นสอนผู้อื่นมันง่ายมดเด้มันยากสอนจากของนี่เด้จึงบอกคนบะบุบบใครสอนยมม่อมหคนบังบุญนั่นแหละก็เพราะบกก็เห็นบุญจึงที่บอกย่มมาจังไดแล้วม่นมปนตรงปกติเ ด, ด้ไปบอกแม่สีวัดอ่ะิมีจังวัดบอกคำบุญ ทุกที่สุดคือหาที่เกิดที่เกิดเกิดมาตั้งใจประพัฒนลังจิตตั้งธรรมธาตุใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพกุทธศาสนาอยากปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสันนิจใจทูกดวงเป็นสั่นนด้แต่พอมีร่างกายเลยรลาฮาเวปันจักขันธาวันภาระมันหนักร่างกายก่อนเนี่ยเอาจิบมึงในตัวเอาถ้าเกิดมาเนี่เอานักมันหนักก็ถามมึงถามเขาไปหัวใจนั่นโยงกับร่างกายก่อนนี่เท่าไดแล้ว บัใจสนใจว่าบัดนี่พราะจะมีร่างกายเรื่อมจอยว่บัดเลือกถึงปุ่น์เนีบัดจะตายเป็นทุกข์ก็ติตายจะเนาอกูติดตายกูติตายเหมือนบาตรีบันตายแล้วก็ทุกข์ต่อไปอีกหร้บัดนี้เพราะเจ้ากรรมในเวรของจะไปถามนะพญานุ่มปิบาติพญานญ่ไม่ไงเจ้าตั้งใจว่าจะไปทำบุญเห็นทางไปสวรรค์บ่ต่อขอตัวตั้งไหนบัดเขาพูดเลยบ่เคยเห็นน่ะโอ้บ่เคยบังทั้งไปสวรรค์น่ะทั้งไปสวรรค์ไปใส แต่หูดังในหูดังนั่นงยปะนยะปดี๋ยวปฏิเืศอจักบาทยู่น้ำมันตัวลบบอมีร่มเขาลบบอกตตาจอยอยู่กับร่มแท่ๆพวกพักกันเบิ่งร่มมือนโอ้ยหห้ไปห้ให้ไปแล้วว่าถึงใจทจั้งยังิ น, นห้นยังเข า, าเด็ดนําพระพุทธเจ้าว่าได้กัวจะเกิดมาพุทธนี่ครบนี่ชาตินี่เป็นแบบนี้ ว้ติดโฉมนุษย์สิปัตลาพวกของยากลำบากบุญกุศลจริงใจอะไรนี่เลยบางแห่งก็เจ้าเนีบอกเกิดมาพวกคําสอนของพวกเจ้าบ้านเขามันเป็นตันหลักอายจาัดได้เลยชาวไทยชอบพูดเข า, ขาลำเลยมากปนเขาหลอกล่วงเขาเพราะแต่ล่วงเครื่อง บ, บินมาไปส่งโรงแรมให้หน้อยแท็กซี่โรงแรมเยอะใกล้หุ่นจากตัวม้งก็ติกลับมาส่งเขาจะว่าสิแก้งหุ่น หาวิธีโกงเขาเราเดี้ยวไเอาคามยูตเตอร์ใครยังไงมันละโดนเวลาเขาไปตัวใช่ฉันนะฉันจะให้เบอร์ไว้จะไปไหนมาไหนมันเห็นเขารวยไปหาวิธีจะเอาเดี้ยว <laughs> เห็นเขาเงี้ยหลายคนว่าโกงเขาเจะเอาแต่ขากนันเห็นพวกนิญญ้ร่ํารวยสวยงามมันก็นขมขืนเขาข้มขืนแล้วแล้วคาซ้าพิดปากเห็นว่าเ้านนอว่า ว่ากันนะข้าปิดปากเป็นว่าตัวนั่นนี่คุณน่ะท่านเป็นตาอายบ้านนี่งเมื่อพุทธขาม้าพิ่งเพิ่งล้มโพล้มชัยพระพุทธศาสนาเพิ่งใบบุญหลักพระพุทธศาสนาเป็นบ้าขันเถิดไปทัวโว้ยเป็นตาละายประเทศเล้าเป็นตาละอายประเทศประมา่าประเทศเล้าพอใส่ผัดถุงพอให้ใส่บาทผุ่นน้ําใจวะเขาเจ้าคุณเฮ็ดได้ เห็นว่าเราขอล่ำเพื่องจันทร์เสาสาวเอ้ยจะภอวว่าจีบโป๊บกักลาแต่งสร้างนุ้ยไปท่านประเทศเล่าแล้วท่านประเทศพม่าแล้วเขาว่าว่าไ้ไส่ร่องเท้าไส้ไปว่าได้เขาสี่มือน้าเบิงหลดทอดออกขอดออกแล้วเราตีลวดปวดเพี้ยงไปโอ้ยเป็นตาจกอายคือว่าเพราะวนเมืองไทยเป็นรักถือบริษัทศาสนาระดับโลกคุณเน๊ะ นะครับดูก็ยังตายหลายกมู่ือประเทศไทยจินเหล่าหลายกมู่ประเทศไทยรถสนดูกมู่ประเทศไทยรถส้นดูที่มู่ที่สุดก็จะวัดหลายเอ็ดมันป็นอาการก็ยังอาอได้ยังไปเลบอยากทั้งไปตะวันเจ้ามาจากเมืองใดมาจากเมืองเราหกไปกับขึ้นเมืองเกาฮบมกไว้ไปนี่เจ้ากำในเวนพญานมไปบ้านกำมุานนำวัตถุโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกาเขาใจบ่ เสียใจที่สุดทุกข์ที่สุดขึ้หาที่เกิดเจ้าเนี่ยเขาเกิดมาแล้วกันเพาเฝ้าเห็นเอาเนี่โอ้ยมันใจดีมันบ่มีเนี่ยเพือ่อพระอาศัยเจ้นี่ยเพราะคื่อเขามีร่างกายดีดีมีร่างกายหิวกระแลนหนีไปหาจินด้านนั่นด้านนี่กับพระกันแลนหนีมีกายกายกับใจอาศัยอากายกับใจอาศัยซึ่งกันและกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจมันบังคับไปทางที่พอดี ด, ดีกันเอามีสติมีปัญญา ใช่เออไปด้วยกิเล็สบังคับไปให้ผลไปกี้ไปขาไปตีเลี้ยนจํามิตรเรศแหลนไปเมดพระพุทธเจ้าเป็นพรสอนคือมีจังสั้นทําดีทําดีผมว่าจะนี่ไปทำดีผลได้ก็ว่าดีขาได้ก็ว่าดีโคดกงได้ก็ว่าดีจังสั้นสิดีของพุทธเจ้าดีเหตุผลคือพรเดือดร้อนตนเองและคนอื่นหูวใจกระเดือดร้อนคนหัวใจเดือดร้อนจะไม่ผลหรอเนาะ ที่ไปหาตีกดกองกันเลยกดกองกันเขานิยังก็เลยฟ้องกันที่ละนีนน่ไปขิดตัวเขาว่าถึงนีเงินลอยล้านพันล้านไปสียเถีแต่งงานลอยเขาืเสียกลางแต่งงานา่าเต็ ม, มเต็มไปหมดผมทำตาไปหันไปนี่ยังกว่ท่านพร้อมไปเอาเงินก้อนหรอวะออกไปมากแค่กว่าจะเย็นดอกประเทศไทยทำทายตึงตั้งไม่ไม่แน่เดี๋ยวนี่ไปเอาเงินมาก ฟ้องกันเดือนี่ว่าเด็กหน่อยไปเฮ็ดกระทงขายก็ไปจับเขานี่ยอันเนี้ยไปเฮ็ดแม่น้ําคงฆ่าหลวงปู่มันติดถ่วมหน่อยแต่แน่ที่พินาที่ไปหาหรือพักว่าออกไปเอาขยะไปป้อย เ, าเ ข, า, า, า, ข า, าแม่น้ําคงค่าพูนกจแม่คงคาว่าให้หนังสัตว์่ะว่าเขาจะบวยไม่หัวใจติดเงเทศการมาเอาของโสกบกไปร้อยไปเปลืองเทศบาลเปลยองงบประมาณของประเทศชาติอีกอไป ไปลอยขังไม่ดีออกว่าติโอ้ยคืออลอยออกได้ปกติ ม, มีความสวยอย่งล่าก้อนเนีน่ยพึ่ถูกต้องของพระเจ้าไปลอยก็คือไปทำในใจนิ่งมีสมาธิหมีปัญญามีความห ล, ลับหลันั่นมันขาดตัวนี้จะมีสติสมาธิปัญญาตั้งแต่ละมีแต่งงเอาเต้าตุ้นไปแตแล้วจะมีขดโกงออกรับเอาเปรียบกันทีบางทีหนูอยกว่าบาบุญแล้วก็มักอาย เด็ดดอกคนนอกนี่บ่กักบาปกุยหนังปุนกุยหาังเด้พรจากแก้วไต้เจ้าพุดมันเป็นตะตลาดตั้งเบตดบ่เกิดเท็จไรเจ้าประสงค์นำน้งไปรถบอกแค่นี้แต่บ่ต้องไป็น้วอื่นอกบอกให้ก้มสงบของมาวัดว่าะหาามาจุ่มวัดไายผลของไม่พระยุงมกองผาเจ้าตาไดบุบ่ไปมาพระก็ขายของบางสกุลเจกใบแจกใใส่ของพาโบซา เห็นมันไปน้ำวัดยอมมาหนังมาเฮ็ดบุญสิเพบางสกุลมัต้องเอากระไดจุดวัดก็มีเห็นหอกม้าเอากันหน่อยไม่กันไงกันถวายท่านกองหน่อยคือกองไงกองเช็ดลูกประเจรจหลายก็พาประท่านก็มีได้โน้มแก่เขาแก่ออกรากเขาเล่าเป็นไกลเป็นไกลไว้เปนตัวนั่นเฮ็ดได้พระเกิดเจริญนันจะได้บุญบาร ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาพุทธบริษัท4เข้าใจว่าภิกษุธรรมเนีอุบาสกอุบาติกาแล้วจะขนไปเนี่ยเอาที่นี่ยพระลำบากบุญคือของเบาไปเบาๆที่หลวงปู่บวบานด่มิตรวามิตรจมเที่ยวจมเทียวยวายวยุเพราะขนของไม่พระลำบากเราเดินเปนนั่งปับ๊บนั่งปะณละหลวงปู่นั่งปับ๊บถวายของหลวงปู่ผุ่น เนีเป็นประโยชน์เนี่เบาๆที่พระเจ้าคนน่ะส่งรอยาดผงเผ็ดเนวถิมแนวเสียไปจนปั๊บแต่ว่ากินว่ากินน้าแข็งใส่มาตะกี้ตะกอนใส่เป็นแจว้วเดี๋ยวนี้ใส่เป็นแข็งเป็นกระติกผนเห็นว่าใช่จะว่าเป็นประโยชน์ไส่แต่แนวถิมแ น, ว, มนวเสียเมื่อเขานําพุชานาอาหารจินถิมกินเสียอาหารได้หลายชนมดกินหมดปวะว่าเหลือหลวงปู่จินแล้วหอแเมียน้า แต่ว่าตั้งยังไข้ความเนี่ยแต่ว่าไปสร้างโรงแรมผุนนี้ไปสั่างน้าร้านอาหารผุนนี้ไปสาหรับหนึ่งผ้าหนึ่งร้านอาหารหนึ่งจักว่ารจักอยางบุบันมันจะเอามันเขาประวาจารย์นไปเกียรติไงมีหนาไงป่ะวัติยานว่าเขามมีความโกรกมัมีมรญาติถิมแท้ถิมว่าวัตินี้ของในหลวงปันจะไปพอใจจ่อยเดือนหน้าจึงค่อยเอาผุน นะกันพ่มีสมาธิพ่อไม่ปัญญาโอ้ยพากันยากพ่อจันจะไปทีบคามาแรงมากพากันเฮ็ดลูกหลานมาจากมหาเงินหาทองมากับผ้าเขากินเขากินน้ำผ้าเขานั่งสมาธิเป็นมาหาเสือเหล่ามาเมากันตีกันปากแตกปากแตนบางคนพัน์หอดวันกินเหล่าเมาขเขาจับมันเตะกระโดด้มกันตายก่อน เอาใจไปศินทำไม้กลับมาโลกาพินาศเห็นบ่เมืองไงไปไหนเขาก็ยิ่งได้สุบ ม, มืน่นไฟก็ไหม่ได้ร่วมกับทั้งได้ประเขบกัทับได้คุณวันคุณวันข้าวว่าเป็นแต่สลรสังเวชตัวหรือว่าสังรถสังเวชขึ้นว่าบ้านเขาสิบ่เป็นติแต่แต่ดังเห็นด้วยได้เคยถวมไประเสอุบลสักคนแต่ละปีแต่ละปีเริ่มถวมไปถวมไป ก็หาได้เรื่อยสิ้นทมไปกลับมาโลกาพินานั่นพระเจ้าเป็นจังบัญจะไปพระพุทธศาสนาของเราตะทักกดห้าพันปีอันนี้เครื่องคางเครื่องการตอนนั้นเพี่ยนไปเพี่ยนไปทุกปีทุกปีเขาก็เห็นกันจงสิตัวเด็กจิตบังเห็นความละเอียดของพระพุทธศาสนาเสียมบ่กันบ่มีรู้สติปัญญาบ่รู้จักว่าเสียมเป็นตั้งใดแล้ววิธีกรรมต่างๆก็เห็นเพี่ยนไปเพี่ยนไปอยู่นั่นเองเสียมมันตัว เพราะฉนั้นช่วยกันรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธวิธีกรรทางพุทธศาสนาให้ยึดไว้โลกาที่ประตทไยถิ่มเอาทำมาที่ประไตยเอาทำเป็นไงจึงงานกับถิ่นที่เอาทำเป็นไงพอมีมอหราศครบงานเข้ากับมานางงานนางเวรลมหายใจก็ออการมาจากเจงที่สุดก็มุดขึ้นสอดเสาเป็นอย่างไระม่ได้สื่อตัวนันกตือแล้วนปันนั่นด้ตอน ประเด็นบัดหัวบัดฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้ฉันไม่มีบุญว่าเป็นแต่ไม่บัดนี่สิไม่จช่ไหนบุญว่าเปนมีของซื้อได้ไว้บาปก็ของซื้อได้เว้ผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองนั่นเห็นบ่ารู้ว่าเจะของเงินบุญหรือเ่อให้บุญมันมานั่งลมหายใจข้อออกล้มเฝ้ากองเงินกองทัีดีเป็นไรว่าจะซื้อจักบาทรนั่งล้มหายใจเข้อออกม่้ย อันนี้เธอรู้ไหมว่าดอกบ้านลไรเรามันคิอละเอียดนะเพราะฉะนั้นเสียใจเด้ป่ะนั่นบ่มีสังขารร่างกายเราทุกที่สุดคือหาที่เกิดนั่นบ่ทุกอย่างไรเขาขีดขั้นเลี่ยงเด็กน้อยสุมือว่าพ่อใจแน่ดีว่ดีก็เั็ป้าเป็นตัวขวัดออกมาแต่เด็กน้อยบ่มีพอแบบว่าเหตดเป็นตัวติดตัวแดน เมื่อควาัวจริงๆองนี้นพอมีคุณทรรเนี่ยก็ให้เกิดสองคนที่ขั้นเลี้ยงเห็นแจตัวปะ่ะมันเอาทับมาเขาว่าแปรเห็นแจตัวด้โนเรเวเขาบอนั่นผูดใด้ลูกหลายก็ยังไงเงีนยหลายให้ลูกข้าลูกเด็กลูกเด็กอย่างดูแลเขาจากในประชาชนอินเดียงที่เขาก็ทับหมัน ว่าเกิดธรรมชาติเพราะว่าหลวงปู่ว่าโอ้คือกันนั่นแหละโูเป็นอย่างไรคนเกิดแัดไกลเพรามีเราเขามเนี้งเรียงกันไงอันนี้คนแท้ๆเพื่อจะไปฆ่าเขาตายก็เป็นเจ้าของมังง่ายนะขั้นเลียงพอแม่จักว่าเกิดนะไม่ได้เกิดว่าพอแม่ก็งอเนาะจังาเกิดเป็นอยังเป็นคนมันแหลมมันลำบากฟาดมันจัมว่าเกิดเป็นอย่างเป็นคนผุนอกสู่สวรรค์เขาทุกข์กนในฟานผุ่น ของมีจะเว้ยของบ่มีบว่าร์คนพระพุทธเจ้าคนค น, คนเห็นได้คนบวบางไว้ได้รักสินธงคนต้องเห็นได้ได้นั่นบ่มีผู้เห็นได้บ่มีโลกที่อยู่ได้หรอกตรงมีผู้เห็นได้ต้องมีของดีอยู่โลกกับธรรมอาศัยซึ่งกันและกันถ้าไมีแต่โลกอย่างเดียวบ่มีธรรมบ่สิเป็นหย่างไปแล้ว นี่ยังเห็นว่าแต่ยังมีพระเจ้าประสองเห็นในกาบในไหว้สักราภูชาขึ้นจงมี่ตัวเดียวพระสันพันติยุยนะสันพมีเครื่องดูของใจไป็ปหาเล่นตามชาวบ้านคือบ้านอะไรตัวไม่ได้ยินตอสินารมิมนทำสนุกเมืองฝ่าสวรรค์ในพ่านมิตะแดดกับฝนสนุกเมืองคน้นมิตรกินกับเลนนั่นตเอายืนนี้ตินั่ น, น, น, นสัจัตีกองกินเหลา ดวยอำนาบุญกุศลของตนจะโยมลูกหลานจาติพี่น้องด้เสียสละว่าร่วมการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาฟังอวบัสทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่พวกเราได้ทําเหล่านี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระแม่ครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติมาแล้วก็จงมารวมกันองคกว้างกวักรักษาของตนจะโยมลูกหลานจาติพี่น้องก็มีแต่ความจุกกลมเจริญจุกกายสุกใจเดินทางด้วยความสะดวกสบายตลอดปลอดภัย การงานจิงใดการเงินจิงใดปัญนาสิ่งหนึ่งอันใดจงสำเร็จก็จงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโยงพากันตั้งอกตั้งใจตามทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและตรงมีดวงจิตดวงใจเห็นมาเห็นผลหเห็นสวรรค์ได้เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เถิด